ผู้รู้จักธรรมะนั่นก็มีความสบายดีสงบดีโดยมากคนเรามันเพินไปตามโรพะโทสะโมหะจิตใจมันะะอยู่เป็นสุขสมัยโบราณกาลของพนเราทั้งหลายนั้น ไม่ค่อยฟันดิ่งโยนแต่ว่าวัตถุไม่เจริญบ้านของเราเนีย่ยงูยากงแสะหลังคาแต่ก็อยู่กันสบายอยู่กันสบายนอนกันสบายมีหินไม่รุงรังนอนดับสนิท ตลอดถึงชื่อเสียงของคนเราก็ดีกันง่ายสมัยก่น อ, ยนนนกอนซ่อมถนนยม่หาชื่ออย่างดีเพื่ออยากสร้างความดีความเป็นเยุนยาบ้านก็สร้างให้ดีดีขึ้นเพื่ออยากจะอยู่สบายแต่ไม่รู้จัดทำใจของเราให้สบาย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 มันขาดธรรมะเรียกว่าสันสติจตุธาความยินดีในของที่มีอยู่นี่เป็นคาถาเคาะเสกผีหรือมหาเสกผีความยินดีในของที่มีอยู่นั่นคืออะไรไม่ใช่ว่ามีมีเจ้ใบนี้มีสะท้นใบนี้แล้วพอแต่ว่า การพิธีเจตฐานั้นท่านไมพอในปัจจุบันในเวลานี้มีเทียงเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนวันนี้ทุกวันหาเงินในวันนี้ห้าร้อยหกร้อยเป็นประจํามาถึงวันนี้หาเงินในเทียงร้่าเดียวท่านก็ให้ยินดีเสียก่อนวันนี้เันาะในเช้นี้ก็เอาแล้วคงนี้ก็หาใหม่ คงนี้ได้สองร้อยก็ยินดีสองร้อยกระรีนี้ไห้าสิบาทป็ยินดีห้าสิบาทไปเสืยก่อนเนี่ยไปจวนนี้อันนี้ทําจิตใจของเราเป็นเติมให้บรจากประมาณในความเป็นอยู่ของเจ้าของจะไหมโบราณการอะารตรงลานนั้นมัทธุมเจรรญ์จะจิตใจคนเราจเริญอม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 ลหว้ใจกันยากอยู่ส่วนเพราะอะไรมันขาดธรรมะคือความสุขสัตคุณสมบัติมนุษย์มันหายไปแล้วมันจเสวยสมบัติของสัตว์สมบัติของสัตว์สิทธิ์ฉานสมบัติอะไรต่างๆมันไม่เสวยอยู่อย่างสมบัติมนุษย์นั่นมันไม่เป็นความสุขสัตว์สุดจะดีนั่นมันไม่มีอะไรใครในทิศไหนก็เป็นอย่างนั้น ไอ้อย่างนั้นความไม่ว้ใจกันในทุกวันนี้แนมะ่แต่ครอบครัวไม่ว่าจะค น, นดีเลยไอ้ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนี้ก็ไม่ไว้ใจกันแล้วนะต่างระวงังระวังเสมอมีเพ้าะอะไรงั้นความซืดสัตยขาดธรรมะฉันตุดติจารชาไอ้ความดีในของที่มีอยู่นั้นน้อยหรือไม่มี ตโนไวโบราณตอนนั้นถ้าในเป็นพ่อเป็นลูกกันมันก็เคารพกันมากที่สุดไม่มีต่อหน้าหลับหลังก็ยังเป็นพอ่อเป็นลูกกันอย่อยางนั้นตโ น, นนี้ถึงมีครอบครัวแล้ก็ยังระวังระแวงถึงออกจากบ้านไปทั้งคนที่อยู่บ้านทั้งคนที่ออกไปก็ไม่ใครอยไว้ใจกันใช่ไหม ส่วน้ค่อะไม่ขาดธรรมะอเกิดความไม่ไว่ใจกั น, นความยุ่งเหยงิงเกิดขึ้นมาถึงเรามีบ้านสวยๆใจก็ไม่สบายมีเงินทองมากมาใจก็ไม่สบายนอนผูกนอนบอกก็ไม่สบายใจเพราะเรื่องไม่สบายมันไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่เสียหาสถานไม่อยู่ที่อาคาร ความสบายความไม่สบายนั้นมันอยู่ในจิตใจของเรานเองถ้าพวกเราทำหลายขาดคุณธรรมจะแล้วอ่านันก็เกิดโทษขึ้นมาในจิตใจเราเองเป็นไฟลุกอยู่ในนั้นเป็นลาสะเป็นโทสะเป็นโมหะเขาใจของเจ้าของอยู่นี่เรียกว่ามันจึงขาดในที่เป็นคนจนเนิดอะไรเกิดความสมนุกเกิดความสบาย เจนความสุขถ้าเราประพาสจากธรรมะจะยืนจะเดนินจะนั่งจะนอนก็คิดคิดแต่อะไรคิดแต่สิ่งที่มันจะให้ทุกข์ในใจของเราอันนี้เราก็ยังไม่ได้ น, นั้นเราก็ยังไม่พออะไรต่างๆและหลายอย่างคิดเแต่เรื่องให้มันเป็นทุกข์ในใจใจทุกวันนี้เป็นผู้รับภาระมากที่สุด ตาหูจมูกรินตายรับอารมณ์มาแล้วพอมาชิมหายใจใจเป็นผู้ช่แก้ปัญหาอืเรื่องราวต่างๆเยตินทีเหลือเกินเพราะฉะนั้นมนุษย์ในปัจจุบันนี้ชิงใจเป็นทุกข์ข้อแก้ปัญหาบางทีงก็แก้ปัญหาได้บางสทงก็แก้ไม่ได้นอนโจนอยู่นั่นเป็นทุกข์มากเหลือเกินอเพราะฉะนั้นพวกเราข้างายนั้น เมื่อห่างจากธรรมะไปเท่าใดมันก็ห่างจากความสุขไปเท่านั้นห่างจากความสงบไปเท่านั้นเมื่อห่างไปที่สุดแล้ก็มีแต่ทุกข์กลุ่มอยู่เปนลาพระเป็นโทสะเป็นโมหะเข่าฝาหมีตลอดเวราทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุขมีแตะทุกข์ทั้งนั้นเพราะความไม่พอเป็นเหตุเพราะขาดธรรมะเป็นเหตุเพราะขาดสัน คือกระญหาคือความยินดีในของที่มีอยู่นี้เป็นส่วนมากบางนห่งเคยมีมันตอ น, นตอนมาเป็นคนจนอยากจะร่ำจะรวยขึ้นมาก็พยายามขมาหาพระก็ให้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ขยันเป็นผู้มั่นเพียรทุกอย่างอจะทําไปทําไปทําไปเกิดการร่ำรวยขึ้นมาอีก ก็ลงเงินก็มากลาบก็บมากยศก็มากอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นมากดูดตัวอือดูดดืดตัวอืมคุณทั้งครอบครัวเราเนอะอือดืนตัวทั้งครบคัวผู้หญิงคูชายมันก็เคลืนในสามมรคุณอั้ในรูปตัดีมีเสียงก็ดีขึ้นก็ดีเร็ตกวดีเพราะมีเงินได้มันมีอำนาจทุกอย่าง เอามือขี้เอาอันใดมันก็ได้ทั้งนั้นเนี่นี่เป็นเหตุที่ความสุขกอดินตัวถ้ารวยแล้วมีความสุขเด็ดินตัวเมื่อดินตัวก็มาอยู่ในโอวาทของใครเมียมาอยู่ในโอวาทของส า, ามีสามีมาอยู่ในอำนาจเขามีต่างคนไปต่างฮนะความสุขไปแล้วนี่ก็ทุกข์กันมาอีกแท้รัจอมบาตรที่หาไม่ได้มากๆสุดท้าย นี่มันคิดหายไปเพราะอันนี้เองอารมณ์ขันติของครอบครัวไม่ถูกกันแม่มันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขแม่จะอยู่ประชาราษารทั้งเกียรติชันจนจนก็ไม่สบายถ้าครอบครัวของเราใจของเราไม่คงมเกลียวกันเป็นส่วนอันนี้ไม่มีสุขฉะนั้นความสุข อ, อันนี้ถ้าคนไม่รู้จักเมื่อมันมีมาแล้วก็เป็นห่วผเป็นคิดหาย จะี่มีโทษมากลาบากมากในความเป็นจริงนี้ความสุขนี้นะเป็นของดีที่สุดที่มนุษย์ทั้งหลายยอดสาถนาของความสุขเกอดมาได้ความสุขมาเแล้วก็ดินดูรื้อดนบ้างดนเมืองดนตัวดนตนดนทุกสิ่งสารพัดจนเเจนก็ถึงอันตรธานไปอย่างนี้ก็มีเพรความไม่สำนึกยินดีในของที่มีอยู่นั่นเอง ก็นั่นชาวพุทธเจ้าของแดนเป็นทิ้งสอนว่าคนขาดธรรมะต่อคือคนขาดที่สิ่งอขาดที่อาศัยคนขาดธรรมะธรรมะนั่นมันคืออะไรกันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีธรรมะที่ไม่เป็นธรรมะมันม่นเองนั่นมีแต่ธรรมะทั้งนั้นแมืแต่เราแต่งของภายนอกก็ดีของภายในก็ดีมันก็เรื่องจะเป็นธรรมะ ธรนมะนี้คือสภาวะที่ถูกต้องอย่างต้นไม้โเขาเขาวันข้างนอกมันจะเป็นธรร ม, มนอยู่อย่างนั้นม น, นุษย์เราทั้งหลายเกิดมามันจะเป็นอย่างในความสุขมันจะเป็นธรรมะในคามทุกข์มันจะเป็นธรรมะการได้มาก็เป็นธรรมะการมันเสียไปมันจะเป็นธรรมะถ้เราดูจากธรรมะข้างนอก รู้จักสรรมะข้างในใจยินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองถ้าทำให้ยินดีนเป็นต้นมันก็เป็นพาดของกิเลสมันเป็นพาดของสันหาหาที่ซึ่งที่อาศัยในได้ไอ้ความคิดของคนในปัจจุบันนี้กับโบราณกาลมานั่นมันต่างกัน เพราะอาจจะเสีเ่ยงแหวรอมทั้งหลายเป็นต้นหลักของธรรมะอันนี้เป็นหลักที่ยังยืนเป็นหลักที่แน่อนอนถ้าคนเรามาประพปฏิบัติแล้วถ้าเรามีธรรมะมันจะไม่มีสิส่งึ่งเรื่องของในโลกนี่มันจเป็นธรรมดาในโลกมันก็เป็นธรรมะอดู่อย่างนั้นอืและการทะรกคารวะทุกวันนี้ก็นับวันน้อยลงไปน้อย อพ่อแม่กับลูกจะมีความคาระวะกันอย่างดีนั้นสมัยก่อนก็ไม่มีชาติหนึ่งต่ยังจะมีความคารว ก, กันเแื่นแฟนอย่างในสมัยโบราณนากสานที่มีธรรมะนั่นก็หายากแตนั้นขีดธรรมทั้ททงหลายทั้งหลายเหล่านี้เนี่มันเชื่อมจากจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายอมเมื่อจิตใจขเขาเด้เชื่อมจาก ธรรมะธรรมะไม่ินในจิตใจของมนุษย์แล้วไปที่ไหนก็มองกันไม่ได้แต่น้อยโบราณศาสนาเ่านั้นใปที่ไหนใครมองหน้ากันแม่ก็สบายใจก็สบายยืมแย่เปลี่ยนสายนึกว่าเขาสนใจในคุณงามความดีของเราเลยก็สบายลูกมองหน้าพ่อแม่ก็สบายพ่อแม่มองหน้าลูกก็สบายเพื่อนมนุษย์บ้านเด็กันชามองหน้ามองตาขณะแสดงความยืมแย่เปนี่ยนสายว่าความสบายใจนี้ นี่เป็นแป้นทาคนมีธรรมะมีคุณสมบัติของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประจำใจแล้วมันก็อยากเดินสมัยนี้แทบจะมองหน้ากันไม่ได้เดินไปมองหน้ามอง้ากันไปมองเนี่ยสมัยก่อนมันจะสมัยก่อนไม่ได้ใช่ไหมมันคิดไปในทางอื่นีมากยึดไม่มีธรรมะไม่ไหวใจกันแม่มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ ธรรมะในนี้ความ่ในใจกันเกิดขึ้นเป็นเต้นนะอืมเท่าที่เองความเข้า ใ, ใจจิตจะเกิดขึ้นมาใช่ไหมจะเป็นมองหน้ากันในรถในเรือในถนนคนทางอืมเกิดเรื่องเหตุวันมีเรื่องอะไรอืมตอเรื่องให้เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวอืมเพราะอะไรโดยไม่มันมองหน้ากันไม่ได้แล้วโซ่เราทำร้ายอืมะจะเท่ากับสุนะ ก็ได้ถ้ามันเห็นกันแดีมันเอากันเพียวอืมอมันตัดเชียวกันเดยทีเดียวมันไม่ไว้ใจกันอืทุกวันนี้ก็มันกัดฉันน้อยที่สุดไม่ไว้ใจกันเนี่ยตอนกลางคืนบางทีเขาเดินมากลางคืนขอนอนบ้านนีไว้ใจไหมทุกวันนี้ไม่ไว้แล้วนะอือโดยเประตูฝังฝังฝ่งสมัยก่อนเป็ดมาเลยอืออ ก่อนนับปลาสายกันไปจากไหนมาจอไหนเองนอนว่านอนท่องกันไหนสบายตะวันนี้ไม่ได้นะนี่ทำไมเสาะอะไรเพราะมันขาดจากธรรมะเมืม่อขาดจากธรรมะอย่างเดียวเท่านัา้นน่ะมันวุ่นวายไปหมดทุกอย่างไม่ไว้ใจกันตรงนั้นออื ม, อมฉะนั้นสมัยปัจจุบนันนี้อืถ้าหากเรามาประพฤติทธรรมะปฏิบัติธรรมานั่นธรรมานั่นยังเป็นของนิสมัยอยู่ ไม่ได้จะไหมทุกวันนี้ยังทําดีก็ดีอยู่ทาชั่วมันก็ชั่วอยู่ทำบาทมันก็เป็นบาทอยู่ทําบุญก็เป็นบุญอยู่อย่างเก่านั่นเองอืมไม้ได้นอกเหนือไปที่ไหนนั่นธรรมะยังคงที่อคนยิ่งนี้จากธรรมะธรรมะยังยืนตัวอยู่อืมฉะนั้นทุกวันนี้ให้มนุษย์ทางไหนมาฟังธรรมะมาฟังธรรมะให้ติดจากธรรมะให้เป็นธรรมะ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 ก็เรียกว่ามันเป็นไปตามสมัยของมันอย่างนี้แต่ครูกับนักเรียนเหมือนกันสมัยก่อนเห็นกันโอ้ยครัวเดินขลุกครูฝ้าอาจารย์เท่าแใจสมัยนี้นักเรียนกับครูมันมีตัวแล้วมันสำคัญมันเข้าใจว่าครูก็เป็นคนเหมือนกันครูก็เป็นคนสอนเรารัฐบาลของจ้างมันเป็นหนุกจ้างเรามีเป็นครัวแล้วเป็นจริง มันมีจุดภาพเสมอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็การเคารพอย่างนี้มันการคาระเคารพอย่างนี้มันขาดไปในใจของคนทุกคนอย่างนี้อมืมันก็เทียมเท่านั้นเนี่ยพ่อแม่กับลูกตัอ ว, วันนี้ถูกมันกันแย่างนี้น่อนพ่อแมยอย่มีอำ น, นาจบอกลูกลูกหลานตา้องอยู่ใต้ความปกครองถ้าเป็นคนคนแต่อย่างโยเมเนี่ยในบ้านนั่นในตำบล น, นั่น จะว่าให้ดูร้านคนใดจะได้แล้วนีว่าไม่จะได้ได้ไม่ได้อืทําไมทุกวันมีความรู้คนมันมีอืความฉลาดแต่คนฉลาดมันโง่คนฉลาดมันโ ง, นมนง่มันก็ยิ่งเป็นทิพย์กว่าคนโง่มันโง่ไปอีกสมัยก่อนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดอสมัยก่อนเป็นคนไม่ฉลาด แต่เป็นคนในงูในเดียดเบียงไทยชื่อแซดสุดกริตของไทยของมันรู้จักทุกวันนี้มันอะอย่างนั้นจะก่อนไม่เข้าปัยกันเดี๋ยวนี้มันเข้าปัยกันเท่านั้นการภะเละทะาะอย่างนี้ขาดไปในโลกโลกมี่กระเสียมจิตใจมนุษย์ทั้งหลายก็เสียมโทรมลงไปคุณจรมบัติของมนุษย์ น, นั่นตัวนี้ ะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมานี้ยังดีอยู่ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีเป็นกลุ่มเป็กลุ่มนน้อยถึงวันนี้มันจะหมดไปออืเหมือนทางชาวยุโรปเขา น, นี่เขาไม่มีธรรมะอะไรจนความเดืดร้อนมันขบวนกวายขึ้นจนมันรู้ธรรมชาติทู่มันเองดังนั้นมันก็หวนกัดมาหาทางปฏิบัติให้ใจมันเป็สุขให้ใจมันสงบออื ธรามชาติแบบนั้นพวกเราข้งหลานนี่กันมฐานนั้นแหละ เ, เป็นตัวมันลืนตัวลื่นตนแากกันหมดมไม่ได้จากคารพบูบาอาจารย์ไม่ได้จากคารพพ่อแม่ถ้าคนในคารบครวะกันแล้วมันก็หมดจิตเท่านั้นขาดจากกันแล้วปริยาสารีไม่คารบกันแล้วอุลุมกติไม่ถูกกันแล้วก็แยกทางกั น, นจา่นายกระดกสะดอนควาเหวนย่ยงถูกต้องกันแล้ว มันขยกบทางกันบ้านเมืองมันก็วุ่นวายขึ้นมาแค่นั้นเองทั้งหลายเรานี่เพราะอะไรมันขาดธรรมะขาดการปฏิบัติเพราะอาศัยความโรคอ า, าศัยความโกรธอาศัยความหล ง, งนั่นแหละมันเป็นเหตุที่คนเราถอ้ห่างเหินจากเจ็นแบบพุทธศาสนาอยู่บาง ท, ทีถึงวันนี้ก็ไปฟังธรรมกันต่อไปวัดกันในเรื่องเราไปทําไมอะไรกันเจอมัมีธรรมะในใจของเรา ถึงในตการจะทําบุญคนนี้มองมองดูจริงงานปองบวชก็ดีนะงานกถินก็นดีงานบุญอะไรต่างๆเล่านี้ไปมองมองดูเขาทําบุญกันทำัยนี้อทาบุญกันแค่อายุยงส่งเสริมปรดโให้เทวทิตย์มาเท่า น, นั้นน่ยถ้าจะมาไปมองมองดูแล้วว่ามันทําเพื่อวความสนุกกันุกจมองเขาว่าวอยูข้างในพิธีนะมันเป็นการกระทําบาปกั น, กน แต่เอาบุญมาปกเปลียนใชหให้บาปมันหายไปทอว่าบุญระัาตคนคนหนึงกมาชื่อว่านายบุญแต่ว่าทำแต่บาปเพราตไม่ใช่ว่านายบุญนายบุญแต่ว่านายบุญนั่นไม่เคยดูจักบุญสร้างตั้งแต่ความเชื่อตัวเพราะเาเดว่านายบุญนายบุญนสร้างทับุญตัวนี่ก็เหมือนกันตรงนั้น ทำบาปสักเทไรประกามเถอะก็เรียกว่าบุ ญ, บญเพราะเอาบุญไปสุกเรือนทำบุญเทไรจนต้นยิ่งทำจนเหตุต่ำลงไปถอยมันไปให้น้อยลงไปแต่เราเป็นบรรณบุญใจบาปไปฉะนั้นทั้งคุตะวิสัชช์ทั้ ง, งหลายจะชอบประเสีนอย่างนั้นอันนี้ข้อขาดอะไรอืมข้อขาดการปฏิบัติอย่างแท้จริงพายุกายุตาตามชาวบ้านของเราลงมา เาจมีสินห้าสินแปดนี้มันจะมีสี่นคนในสมัยนี้นอกจากคนคนโบราณโบราณยังเดียอยู่บ้านจะเต้าค น, คนสิบคนจะสนใจนักในปัจจุบันนีนอ้อยทีสุดจะ่ีจะมีศินมีธรรมจะสนใจในสิ่งทั้งหลายนี้ต้องทํากันไปก็ฟังไปงไหว้วัดทำบุญก็ทํากันไปทำไปอย่างในบุญทำอะไรแต่ทําบาปยุบดีว่านบุญ มันก็เป็นบุญอยู่อย่างนั้นแนแต่ว่าบุญของไงบุญแต่ว่าการกระทามันผิดมินเป็นบาป ท, ทีนี้เมื่อเราทไในถูกความเห็นเราก็ม่ถูกต้องเมื่อต้องเห็นถูกต้องทีนึงก็เปลียนไปอันนี้อาจามาเส่สักเปรีนญหลายเห่นนงในก า, นนน า, านะรการกระทำบุญที่อินมทานนี่มันเสียข่าเสียของนะเรานานๆทาบุญทีหนึ่งนะมางทีทำบุญจะสู้คนอยู่เฉยๆไม่ได้มี ถ้า e. เขาไม่ทพราะนั้นเขาก็มีดีอยู่แล้วเราทาบุญสาวันสาคืนแต่ทาบาปสาวันสาคืนนี่มันจะถูกเขาไม่ทำบุญนี่ละเ้าอยู่เฉยๆอยู่เขาก็ไม่มีบาปเนี่อันนี้ให้รู้จากบุญบุญนั่นจะความสนุกไม่ใช่ความสนานเราทาแล้วเกิดความขัดดเกิดความจังเลือดม่อคินิดที่จะงาถึงเอืองอันนี้จังตกขังนงตา ลดมานะทิฏีิลงไปให้ใจเข้าสูส่รธรรมะถึงความสมุในความจิตมันเป็นบุญอืมอันนี้ทําบุญกันก็ไม่ถูกนี่ฉะนั้นทําบุญใจคนเ้าไม่เป็นบุญเพราะไม่ถอนทาบุญเพื่อไม่ถอนที่อยู่ตัวจิตใจของเราแมาทําบุญก็เพื่อจะเอาบุญอืฉะนั้นว่าการละบาปนั่นไมีมการละความจิตไม่มีบุญไม่เกิดบุญนี่ได้บุคคลทําบุญในสมัยนี้ชอบทําอย่างไงจ๊ะ กินเหล้ากินยาฉันด่นอะไรฉั ง, างนานะทุกอย่างอย่างนี้ถ้าฟังเทื่อต้องสะเสพย์ไปงั้นเนี่เทื่ไปชั่วคราวแล้วเรามาจินกันแต่ตนนี้มวนสะเพื่อจะฟังเพื่ออยากจะง่วงเหงานอนอยู่ mm. ลำพานถ้าเพื่อใจถ้าเทื่อจะลำพานใจจะตายไปแล้วนะฉะนนั้นอ่ะมีจะคิดจะเหนือเมื่อไรจะหยุดเนาะ เมื่มอไระหยุดเนาะนำทานเนาะเมื่อไระหยุดเนาะไม่คิดว่าจะเอาความฉลาดในธรรมะนั้นไปนปฏิบัตินำทานใจแบบนั้นอนะบางแห่งจึงเคยมีว่าเอ้ยใ้พวกเราทั้งหลายให้ทางให้ทานท่านอาจารย์ท่านจะตับวัดแล้ ว, ลวที่เราว่าได้พระไม่อม้อมเนี่ยไม่รู้เรื่องอย่างนี้กนะ็มีนะ ที่นี้ในวลาการทำบุญไม่ถูกบุญนะไม่ถูกบุญการใจ้คนเงินจริงจินบาทมันขาดการประพฤติขาดกาปรปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้แยโดยมากในปัจจุบันนี้ยุคนั้นพวกชาวพุทธเราทาั้งหายจริงไในข้อถึงธรรมะมแ ม, ม้แม้ข้อถึงธรรมะเรื่องพุทธศาสนาแล้วนี่ก็รู้ไปเท่านั้ น, ะนะมันมันกระดาด ท, ทองทำใบหนี่งเขาชี้ว่าเขาไม่สนใจกัน ถงแมเนื่อมันจะเป็นทองคำอยู่เป็นต้นมันก็มีเกิดประโยชน์แก่คนธรรมะที่ทำท่านพูดไปนั้นเป็นความจริงเป็นความดีถ้าคนไม่เอาไปพิจาปฏิบัติแม้เป็นต้นในคำพูดอันนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรอืมอาหารที่อริดอร่อยก็จริงถ้าบุคคลไม่เอาไปบริโภคแล้วมันจะมีประโยชน์อะไมันสมหมดความหมายอย่างนั้นประพุตธประมำประสงค์เป็นเพียงเพีงของโปรดสรรทางหนายอย่างดี ถ้าเร า, าเอาเป็นพื้นจริงแล้วอืมอันนี้จะมีประโยช์อะไรมันมีประโยชน์อะไรมันมีสาระอะไรอย่างนคนทําบุญมาเห็นบุญคนทําบุญมาเห็นบุญอืมนี่มันจะ ม, นมีอะไรดู ด, ดีน้าไปแล้วมันจกคลายมดภูสิสงห์ทุอย่างอันนี้ในะขวดถึงมายมขวดพ่อแม่ประสงค์ของรงัชกานทุวันในพุทธบริษัทต้องนำมันเสี่ยมไปโดยที่อันนี้ จาปฏิบัติตามธรรมะการสั่งสอนของพู้พุทธเจ้าขณะท่านหน้าที่ให้เราเป็นพระก็ไม่มีแค่นี้มันทั้งสองฝ่ายอนพระตระกิษัรรายาทางไหนก่ออย่างนั้นอืนทีนี้ในพวกรามันจริงความเฉื่อมความเฉี่งตามความเป็นจริงแล้วนั้นอนความจริงเนี่ยยันตั้งอยู่ใครจะปฏิบัติตามอันนี้ก็ยังยังไม่เฉียอม เราจะปฏิบัติธรไมไหมปฏิบัติธรามอั น, นี้ท่านความเมตต์ความดียังขร้างมันดีู่ดังนั้นเพราะนั้นนันเป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์เพระนั้นความสุขทั้งหลายนั้นไม่เดีย ว, ว่ามันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์เราทางนายถ้าเรามีเป็นเปิดผีมหมาเปิดผีทำใจ ใ, ให้ถูกต้องตามธรรมะมให้มีความสุขแล้วมันจะไม่เปิดประโยชน์อะไรตรงนั้นสร้างบ้านสร้นงหงหนึ่งสวยแต่เราไม่มีความสุข แม้จะนอนอยู่ในบ้านนั่นก็นจะไมีเกิดประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอันนั้นมันของภายนอกฉะนั้นแต่พุทธเจ้าเราให้สนใจของภายในคือจิตใจของเจ้าของเองถ้าเรา ร, รู้จากโลกเท่เมื่อไรเป็นทุกข์มันก็สบายเมื่อนั้นถ้าเรามารมูร้ จ, จากโลกแค่อย่างเดียวอันนั้นเป็นผลบุญบายกันทั้งปฏิบัติทั้งบ้านเมืองทั้ทงครอบครัวทั้งตัวเองพ็ดีเป็นทุกข์ถึงเม้จะจนมันก็เป็นทุกข์ถึงแม้จะรวยมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยูนั้นเองเนี่ย อือเพราะความคิดผินั้น อ, อันนี้ตรงมั้นตันตันนั่นแหละอัตมาเห็นว่าอายุผ่านมีแล้วช่วยโลกมาก็พอสมควรนะในช่วยโลกพอสมควรแล้วช่วยธรรมะอาวุธศาสตร์ไปไหนก็พอสมควร อ, อ, อ, อย่างชั้นจนคือมาเยี่ยมวันนี้นะอัตมาบอกแต่พยายามคิดายออกมาตั้งตัวให้มันให้มันสบาย เอาสมบั mình, <c oughs> ของเราเขไปไว้ในใจของเราจะดีนันบุ่นวาย <c oughs> ชีวิตอินรของเราเนี้ยนะไม่ต้อทำัญญากันเลยนะอยู่กี่วันอย่ี่่เดือนนี้ไม่รู้นะ <c oughs> บางคนยรู้ต่วันเกิดจะมาหรือไม่วันเกิดยังไม่รู้อีก <c oughs> บางคนเขาไปเสียงอรู้ทำไมถึงรู้แม่ญญบอกแม่นะ พ่อบอกเนี่ยพอเขาบอกมาบางทีจมกิดจะวางไงแลาวความเป็นจริงมีวันเสียด้วยกันไม่รู้วันตายก็ไม่รู้รเยอะทั้งสองข้างอืบัดนี้ทั้งสองอย่างนี่แหละเหมือนไหว้ใจเข้าด้วยนะไมันคทางจิ่จะไหว้ใจฉะนั้นธรรมมาเห็นว่าควรควรสร้างจิตของเราให้รู้จักให้ฉลาดให้จิตเป็นคนทํางานถ้าคนทํางานไม่ฉลาดการงานมันก็ะเลว ถ้าคนทำงานโง่เป็ น, นต้นการ ง, งานทางหลายก็ไม่ดีดูที่คนเรานี่ตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งดิ้นหนึ่งตายเ <c oughs> าหลับมาเฉยๆเขาก็มาทิ่อหายใจทางนั่นนะถ้าไม่ทับลูกเขาไปข น, นมาทื่อหายใจทื่อหายใจทื่อหา ย, าย ใ, หใจเป็นคนทำงาน <c oughs> หายใจเป็นคนทำงานทำไมเราจะไม่ต้องฝุดใจให้ชรา ถ้าใจเราไม่ฉลาดนั่นก็แย่ขนาดนั้นเขาไม่ทงานตาเาไม่อยากนกดูม่แล้วาก็ิ้งให้เราโงก็ฟังมาแนี่กิ้งให้เราจมูกเขารับมาเนี่กจิ้งให้เราตายเขารับมาแล้วเจิ้งให้เราแ้าเราเป็นคนโง่มันก็เป็นท่าสองสิดเดียวกันหาทางแก้มันกบทคนางเท่านั้นแคะนั้นอาจจะมาถึงว่าอายุผ่านเนี่ยควรมาภาวนาเีย ืในปัจจุ บ, บันนี้ที่สร้างคนงามความดีมาในอดีตก็พอสมควรแล้วมาถึงปัจจุ บ, บันนี้อายุหกสิบเจดสิบวันแล้วนี่นะออืสร้างอะไรขึ้นมาอีกโดหลายอย่างมันมีความสงบอืถ้าหากาเราไม่สร้างมีตัวของเราอีกมันก็ลําบากนะอไมื่อลําบากมันลําบากออืพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันเั่นนั้น การบำเพ็นมาพอสมควรแล้วท่านก็วางภาระท่านก็ปล่อยภาระวางอายุสังขารปงอายุสังขารหมออายความว่าอยู่ให้สงบหยุดทางนอกให้มันน้อยการสั่งสอนประชานจนกย์ต้ให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆมาสอนกระพงให้มากเป็นต้นเมื่อประินมาโอวาทของท่านเมื่ อ, มม อ, อ ท, ท่านจะไก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เราก็เหมือนกันฉันนั้น แต่นั้นอย่างน้อยเรต้องให้มีสินห้าประจําเราไว้เป็นสมบัติของมนุษย์ในขินห้าเท่านี้าพอแล้วมนุษย์เรนไม่ต้องอะไรมันมากมายจะหาขินอย่างชืวิตอย่างในกระชังมันจะทำเป็นสมาธิวะมันจะร่นจะไว้ในทุกไนกระชังมันเยอะให้เป็นสมาธิวะทุกไงเรามันยังจนอยูนน่แตอย่าเิ่งสมาธิวะอันนี้เป็นหลักที่สําคัญมากที่สุดที่จะเชื่อเราได้ได อันเดิเที่อวแ้ไม่ได้เรากเที่ยวหลายเสี้ยวฝดาแล้วใช่นี่อืมอืมอันนี้เปเ็นศีธรร ม, อ, ม, อ, มอัน น, น, นี้อันนี้เป็นกันเป็นกันของชีวิตพวกเราท่านหลายที่ต้องอาศัยอันนี้เป็นอยู่ไหวพระสวดมนต์จำพรทานซึ่งพื้นห้าสกานเพื่อเป็นข้อวัดปฏิบัติลูกได้สบายผ้าบางสกุล เพื่อเป็นสาณะประโยชน์ในวัดนี้เสร็จแล้วตอนนี้ไปเป็นโอวาทที่สาธุชนทั้งหลายที่มีสถ า, า, านะวันนี้จะได้รับโอวาทคำสังอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้นี้จะนั้นจงประการตั้งใจให้ดี สร้งางใจให้ดีสั้งใจให้ดีเพื่อจะรับธรรมะคํา ส, สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เตือนว่าวันคืน ม, มันร่วงไฟร่วงไฟบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตักเตือน พวกาวพุททั้งหลายให้มีสติให้รีบหูรีตาขึ้นมาตู่ธรรมะแล้วก็ให้เห็นสิงทั้งหลายทั้งปวงรอบๆตัวเรืในตัวของตัวแ ล, ลื่องรอบๆจิตสารุจิตทั้งหลายว่าซุ้งมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมาไม่ว่าภุมคนเรารายแม้จางใจพระสิทธิสูง เป็นต้นไปถึชาติ ส, สตาลบางกลุ่มบางหน่วยเป็นต้นทุกอย่างเพื่อตั้งออกไปให้ความสุขเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนด้วยแก่อตอนด้วยนั่นคือเรื่องร่วมแก่พวกเราทางดายแต่ไกอยู่ว่าวันคืนร่วงไฟร่วงไฟบัดนี้เราทำอะไรอยู่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 วันกับคืนที่เราเคยผ่านมาเนี่ยทุกคนเคยเห็นมาเต็นมๆมันมี่เลยขึ้นขึ้นมาอีกมีแต่ว่ามันร่วงไปร่วงไปเท่านั้นมันก็จากเราไปเราก็จากเขามาต่างคนต่างเดินไปนคนละทางวันคืนมันก็เดินไปอย่างหนึ่งชีวิตเรามันก็เดินไปอย่างนึ่นนง ต่างคนก็นต่างทางออกจากกันไปทุกวันทุกวันหมดวันหมดปีหมดเดือนมากเท่าไรที่ยุบเราทั้งหลายก็หมดไปแค่นั้นเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างเดินออกจากคนได้ทางเป็นต้นยุบแค่นั้นเราพูดกับเจ้าท่านจริงให้สอนว่าให้ดูวันกับคืนที่เราผ่านมา น, นี้ ยืดเรงขึ้นมานมีอกำลังล่วงไปล่วงไปท่านให้มองเห็นตัวเราว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เป็นต้นนี่คือให้มองดูตัวเจ้าของเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่มะเราทำอะไรอยู่มะเราคิดอะไรอยู่มะมอมันถูกต้องไหมหรือมีความคิดโดยการใดนั้น ขอพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเจริญด้วยตนเองดูตนเองตรียมตนเองครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนพวกเราทั้งหลายนั้นเที่ยงใจว่าที่ทางให้ดูเะ่านั้นพระพุทธองค์ท่านสอนแล้ว่งนจะตรัสว่าอัคตาโลูตถาคตาพระตถาคตเนแต่ผู้บอกเทนั้น หมดทนีตนต่อนั่นไปอันนี้เป็นภาระของพระพุทธเจ้าสอนภาระของพวกเรามีหน้าที่ที่จะประพฤตปฏิบัติตามหรือเบียดไปหนึ่งว่าพระพุทธองค์ท่านนำตัวเราทาั้งหลายมาสู่จุตเส้ทนทางนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่นี่นะนี่ทางไปที่ถูกต้อง อันนี้ทางมันผิดอันนี้ทางมันถูกเจนตนฉันบอกคุณฉันบอกนนท่านในแถวนี้หน้าชื่อของฉันมีแถวนี้เมื่อหมดภารานี้ฉันต้อกลับบ้านฉันต่อ น, นี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเธอท่านทั้งหลายนั่นจะเดินไปจะเดินไปในทางไหนก็ได้แต่ว่าทางนี้มันผิดนะเดินไปได้มันแบบร้อน ในทางนี้มันถูกคุณท่านต่างหลายเดินไปมันมีความสงบมีความรังับหน้าที่ของเจา้าท้าพูดเท่านี้แลว้วก็กลับไปต่อ น, นั่นเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าพุทธบริษัทท่างหลายที่จะเดินไปในทางไหนดูจหยุดอยู่ดูจะเดินต่อไปหรือจะเดินไปในาทางไหนนั้น เป็นหน้าที่ของชาวพุธบริษัตททั้งหลายที่จะดำเมินการต่อไปอันนี้เป็นของง่ายๆไม่ใช่เป็นของยากไม่ใชนะ่มันเป็นของลาําบากเมื่อเราทุกคนได้คันงึงถึงวันเมื่อคืนมันร่วงไฟร่วงไฟอยู่เสมออย่างนั้นเราทั้งหลายก็จะไม่มีความสรมาทผู้ที่ไม่มีความสามารถนั้น คือผู้ถึงพระพุทธเป็นผิวผืน ถ, ถึงพระธรรมเปนผิวผืนถึงพระสงฆ์เปนผิวผืนดังนั้นดังนั้นวันนี้ไอ้ผู้การท่านก็มีเมตตาไอ้อภปัญญาสี่ือตตามีสองอย่างเมตตาธรรมนิหารอย่างหนึ่งเมตตาอัปัญญาอย่างหนึ่ง เมตตาตรสมาวิหารนั้นคือรักแต่พี่ของเรารักแต่น้องของเรารักแต่ญาติของเรารักตัวตัวของเรายื่งจะเป็นเมตตาเงินตาแต่ในเมตตานี้มันแพ้มันแพ้เต็นไปอันนี้เป็นเมตตาตรสมาวิหารไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่ง อยู่ห่างก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามจนต้นทักชวนให้มาวัดหนองปลาปงเพื่อมาฟังธรรมเพื่อมาถวายผ้าบรรจกุกุลเพื่ออุทิศส่วนบกุศล น, นี้ให้เพื่อดงและให้ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วแม้ทางสัตว์ทางหลายเป็นต้นที่เป็นเพื่อนเกิดเกเียดตายเรื่องตั้งนั้นให้มีความสุขความสุขทุกขัวตน นี้เป็นเมตตาอปมัญญาหาความสม่ำเสมอนี้ว่าเป็นาสนาธารณประโยชน์เมตตาอปมัญญานี้เป็นเมตตาที่สูงสุงเป็นเมตตาที่สูงสุดมากที่สุดยอเพราะว่าความรักความใครไ่ไม่เจาะตัวไม่เจาะรงเพราะมีความเห็นอางสูงหยุทาสูงเห็นย่ยมีเห็นว่าั ในมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเกอ ด, ด้วยกันเพื่อนแก่ ด, ด้วยกันเพื่อนเกิดเพื่อกันทั้งนั้นเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นยิ่ดดยงฉะนั้นจึงยินยา่าสุ่ใจคิดกันเมื่อพว้มีคำเมตตาอัปัญญาแล้วแต่ไปพบคนที่ตรงไหนที่แก่กว่เราแต่ไว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เรา เป็นตาเราเป็นยายเราเมื่อพกที่สเสมอสม่ำสเสมอสต้โกนกันได้เป็นลุงเดือนหน้าอะไรทั้งหลายเหลนี้เมื่อพกที่ย่อนกัอเรานั้นก็ได้ว่าเป็นอาเป็นลูกเป็นหลานอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นยิ่คนั้นความจริงนั้นก็เป็นอย่างนี้นะ อัปปมัญญาที่สูงสุดนี้เรียกว่าเป็นเมือตาสูงตรง น, นั้นถ้าคนคิดคำ น, นั้นเรียกว่าเมือตาอสูงเพาเราเห็นคนคนนั้นและค น, น, น, น, นคนนีนนนเนเนนน้เหมือนกันถ้าคนคนนั้นกับคนคนนี้กับเรานี้ต่อเมื่อแต่ไม่มีแปกอะไรกันในไหยเหมือนกันทางนั้นเนี่ยเป็นต้นจนกระทั่งพอวะจะพามาเจว่า รูปร่างคนเราทาไมมันก็่อยไม่่อยจะเหนื่อนกันจิตใจบางอย่างทำไมมนะัน่อยจะเหนื่อนกันอนือย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันเป็นเพราะตามจำเหตุตามทำที่มันจำเหนุต่างกันไม่เหนื่อนกันแล้วเราทุกคนควรไปทั้งเกียรติอัตมากะเกีครติเทเกียรติเลยนะไปที่ประชุมคนบางอย่างนะคนต่างหมื่งต่างแสนนะ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 ถึงแม่จิตใจมันต่ตางกันเริ่ต้นิ่มเพราะกรรมบันดาลที่เราไปสร้างไว้นั้นมันตกแต่งกรรมกรรมที่สร้างนั้น่ะเป็นกรรมมาริตยังเป็นทั้งดุจทุตตะนั่นตัวในทั้สงสุกวันนี้ด้วยเป็นมเรเส้นโครงกระดูกในนี้ในตู้นีนดูที่เราจะมองมองดูอัตตกันมาัตกันโดยกรรมมาริตเนี่ย ไอ้ช่างตกแต่งเรียบร้อยทุกประการ น, นะเออแล้วก็แต่งร่างอะไรมาแล้วก็พูดได้รล้ลองเพลงก็ได้ร้องไห้ก็เป็นเลยสารพัดอย่างเนะแต่เราทํารูปร่างสวยได้พูดอยูได้เดิน ไ, ได้นะไม่ใครจะเป็นอย่างนี้ยิงเียกว่าไอ้คำนี่มันเป็นของที่สําคัญนะเรียกว่าคำวมาทําอะไรได้ทุกปรารเลทีเดียวนี่ อันนี้เป็ น, น, นปต้นยึดกรรมรรมมันตกแต่งมาไ้่แตกกันไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นยิ่งฉะนั้นที่พวกเราทางหลายนั่งอยู่ในกลุมนี้สมัอนตันแม่จิตกานงานจิตใจรูปร่างเป็นต้นแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันในฐานะที่ว่าเรามีความเกิดมาเสมอกันแลวก็มีความเจริญมานี่มันก็เสมอกัน ทนที่สุดมีความระายไปจปนเรื่องคลายนี้มันก็เหมือนกันทั้งนั้นอันนี้ลักษณะที่ต่ำทำให้เหมือนกันโดยลักษณะอย่างนี้มีทัางเหมือนกันด้วยมีทั้งแยกต่างกันด้วยฉะนั้นต่ำนี้จึงเป็นของจำพันเราฉะนั้นบรรดาสาธุชนเราทางหลายนั้นจะยึดไปที่ไหนก็ไม่จบจะคิดไปที่ไหนก็ไม่พ้น ก้าเราไปทำของเราตอนนี้มันจะเลหมดนะเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะคนนี้ทําเราเป็นเพราะอันนี้ให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอันนั้นให้เราเป็นอย่างนี้หมุนไปหมุนมาเอาควาจริงมันไม่ได้เลยคนก็ฝึกออแล้วแม้จะทําเถอะแล้วจะสบายไป น, นะแม่สบายไปด้วยในสมัยนี้ทำนั่นก็เปลี่ยนกันเป็นดวงนะ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 แตแล้วแต่ดวงมันไปตามดวงมันมันก็สบายนะใช่เวลาคิดไปถึงชั้นล่างชั้นบนแล้วก็เรว่ามันเป็นไปเพราะตามแล้วแต่สามนี้กมหมดเรื่องแล้ว้นถึงเวก็สบายสุดที่เราจะพ้นสุดที่เราจะหิุดสุดที่เราจะฝ่าฟืนอะไรทางนั้นในดวงกระทำนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นคำสมมติทางนั้นไอ้ะค่นั้นพวกเราทางหลายนั้น ซึ่งจะทำกรรมก็จะทำบุญจะ แ, แบ่งหาบุญในวันนี้กรรมม็คือสร้างกรรมเหมือนเดิก็คือสร้างกรรมหรือว่าสร้างดวงเหมืองเหล่ะไม่ช่อื่นไปละทำกรรมดีพระพุทธเจ้าก็เรียนว่าได้ดีแต่ทำกรรมชั่วพระพุทธเจ้าก็ว่าได้ชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่มันตรงไปเป็นเรื่องที่มันตรงไปตรงมาอยู่เสมอแต่ว่าในเวลานี้ มีปรากฏการณ์หลายอย่างหลายประการเป็นต้นซึ่งมันจะมีความเห็นแย้งขึ้นมาตรงนี้อ่มันปรากฏการณ์เกิดมาที่มันฝ่าฝืนจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นขาดอันนี้เป็นต้นอืไม่ตรงไปตรงมาเพราะอะไรเพราะปัญญาเรามันน้อยไอครท้าจะเราทีนี้ไหม ยีไมขนาดมังยาวประมาณเมตรหนึ่งะแล้วไปเหยาะเข้าในรูนั่นรูนั้นมันยาวสองเมตนะแล้วก็เหยาะเหยาะสไปนะอไม่ถึงเนี่ยมันสูดไม้เราเรียกว่าไม้มันสั้นไม้มันสั้นแต่ความจริงจรงรูมันยาวรูมันยึกไม่เรามันถึงสั้นถ้ารูเนี่ยมันตื้อไม้เนี่ยมันก็ยาว ถ้ามันเป็นเช่นนี้จะมาไมมเรามันสั้นไปได้จะมารู้มันลึกไปได้อย่างนั้นอืแล้วจะคิดถอยไปถอยมาอย่างเช่นว่าในกลุ่มหนึ่งเรก็คอ่คอยจะปลูกมาเหมือนกันนะการทํำจิตกับการงานต่างๆนั้นมันเหมือนคำสอนของอพระพุทธเจ้าบางอย่างขึ้นว่าฉันทําดีก็ไม่ใคยจะได้ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นคือทําดี ทำดีแล้วไม่มีคนว่าดีไม่เคยจะได้อันนั้นไม่เคยจะได้อันนี้การสมศาสนขาของเรานะ่ยก็น้อยใจแตเรามาคิดว่าถ้าพระองค์ตรัสว่าทําดีไล้ดีเนื้อเราทําไมเราทําดีเป็นโทษทําแล้วนะก็ไม่จะได้ไม่เคยจะให้อะไรมีแต่คนอิจฉามีแต่คนปัยาบาตนี่แต่ทําดีไม่ได้ดี ทำพูดนี้กับพุทธเจ้าของเราพูดถิ่นแล้วื้าอีกทำดีอยู่ทำไมไม่ดียังมีเป็ น, ท น, นทโทษบางทีไปดูตัวพุทธเจ้าก็ได้พเพราะพุทธเจ้าเนี่พูดจริงก็พูดที่เราทําดีไม่ได้ดีนี้ต่คนว่าให้เรายิ้มหาเราก็ยาบาดเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความเห็นผิดของเราถึงแม้ว่าเราทําดีอยู่ถูกต้องอยู่ใครจะว่าเราไม่ดีความดีของเราก็ยังมีอยู่ เราความชั่วอยู่เมื่อไรใครื่อว่าดีเป็นต้นในความชั่วเราไปยังมีอยู่อย่างนี้เมื่เป็นไปตามคนพูดอันนี้หลักอันนี้ไม่มีเสียหายแต่เราจิตใจของเราเป็นต้นไม่มีความรู้สึกถึงขนาดนั้นถ้าทำทำไม่ดีเขาก็ว่าดีก็ดีใจอย่างนี้เป็นต้นอืทำดีอยู่เขาบว่าไม่ดีกว่าเสียใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราปัญญามันน้อย ปัญญาในถึงปัญญาในขึ้นจึงมีความสุ้นทุกเสนาแต่ความรจริงที่หลายความดีนั้นขอพวกเราเราท่านทั้งหลายคิดดีให้มากดีทำดีนั้นมันมีอลไรหละเมื่อเราจะทำดีคิดเฉยมันจะมีความดีแล้วเมื่อไปททำอยู่มันก็ดีอยู่เมื่อทำเสร็จแล้วมันก็ดีอยู่ ที่ว่าไม่ดีนะนี่ก็นคนอื่นเขาอึกษาพยายาทบัตรนั้นคือคนไม่รู้จักดีนะนี่ถ้าคนไม่รู้จักดีมาท่วงมาไม่ดีแล้วแล้วก็เลยเป็นคนไม่ดีไปทั่วเดี๋ยวจเท่าสร้างขาวเลยนะครับแล้วก็เป็นคนไม่ดีคนนี้เว่าเราทําไม่ดีเสีย อ, อกเสียใจอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้ากันที่เรียนธรรมะไอ้ธรรมะที่มันตรงไปตรงมาอันนี้มันถูกเขาวะผิด ก็จริงดีเจอว่าความผูกมันมันยังอยู่อย่างนี้ไปที่ไหนเราทําผิดจริงๆเจอคนอื่นเรามันผูกอันนั้นก็ยังมีผิดอยู่นะมันไม่ถูกกับใครตรงนั้นแหละอันนี้คือของเก่าอันนี้คือทำเก่าไม่ศูนไม่เสียไม่ไปที่ไหนอันนี้เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาทําไมเมื่อเราตั้งใจทําดีวางทีทำไมไม่ได้ดีทำเป็นเพราะอะไร อันนี้เราก็ควรหวนอริสตย์ไปหลายอย่างอี่ที่ว่านาเราดินนาเรามันดีเรื่อยเกินเกิดฝนไม่เคยจะดีนะนามันจะดีเปไหนได้ดินมันดีเรือยเกินกล้าเรามันไม่เคยดีนะนาเรามันก็ไม่ดีได้นะนาเราก็ดีกล้าเราก็ดีดินนาเราก็ดีเแต่จะของที่เสียอย่างนี้เป็นต้ความดีก็เกิดขึ้นไปได้ อย่างนี้เป็นต้นในเราหวนอนุสรอย่างนั้นเป็นต้นที่นี่เราสั้งใจดีเราเป็นคนดีเราทําดีเราจะต้องทํางานในกลุ่มของคนดีอย่างนี้ไม่พ้นมันต้องดีทั้งนั้นในเงื่อนไขว่าผมทําความดไมาีไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีเนละยอนาคตเราเพิ่งน้อยใจเลยอาตมาเคยตอบว่า คุณเคยทํางานนํากลุ่มคนดีหรือเปล่าถ้าคุณในทํางานนํากลุ่มของคนดีมีชินธรรมแล้วมันก็ได้ดีนั้นนะอันนี้คือวคุณจะไในทํางานในคนที่ในชื่ตรงที่สตว์จิตประจิตมันจะเป็นไปามสภาพาของมันอย่างนั้นอย่างนี้ความดีมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปทําที่ไหนมันดีที่นั่นแต่คดีที่นั่นเฉพาะทาง ทำชั่วใ่ตรงไหนมันก็ชั่วตรงนั้นทำดีอยู่ตรงไหนแต่ดีตรงนั้นแต่ดีนั้นมันเคลื่อนมาใคนอื่นเห็นมันเคลื่อนจะมาในจิตใจของเราอัตโนโจทะยันตนังพระพุทธเจ้าสอนแบบเตียนตนด้วยตนเองวกไปวนมาถ้าซึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ให้ขึน้นจัวจะของแต่นั้นเกิดประมาณนี้เพราะว่าคนดีนดีเราเห็นอยู่ความชั่วเราเห็นอยู่ ในความผิดนี่เราก็เห็นอยู่ความถูกที่เราก็เห็นของเราอยู่เชนั้นเราเห็นตนของตนอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นง้อครึ่งคนอื่นไม่ได้ก็กลับมาพึ่งตัวเท่านั้นเองเป็นต้นคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเจ้าทูตในพระในการต่อไปนี้ธรรมะมันจะเรื่อนดอยยุนัยก็จะเรื่อนดอยผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะเรื่อนดอยไปตรงนั้น หาที่ซึ่งชาอาศัยโดยยากเมื่อเราจะประพฤติทำมันดีท่านจึงบอกว่าให้ท่านเสางหาไปเถิดท่านไปไม่ถสงนี้ถ้าทำไม่เป็นธรรมท่า น, นต้องไปทางโน้หนหาสิ่งที่เป็นธรรมเถอดถ้าคิดได้ก็ไม่มีคิดเหนือก็ไม่มีตะวันตกก็ไม่มีตะวันออกก็ไม่มีแล้วพ่อยท่านเดินไปเดินองเดียวเถอดนี่พระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนั้น อ่าใช้ตนเป็นพี่ซุ้นของตนไปเหมือนกับกนอแรกวทนว่าอย่างนั้นเมื่อกวันกันผ่านนั้นทีนี้ไอ้ความสามสัคคีพร้อมเพียงกันทั้งหมดนั้นในกลุ่มที่ดีนั้นมันดีอย่งนั้นเนี่ยจะพูดถึงเุ่องชื่อในดีมันจะลําบากนะเหมือนอ่าเหมือนหมาป่า ก, กับลูกแกะนะอาจจะมาเคยเป็นนักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องหมาป่า ก, กับลูกแกะนะ หมาป่าน <pequeña> ันไม่อยากจะกินลูกแกะมันกรหาว่าลูกแกะมาควนน้ำมันลูกแกะแต่ว่าผมไม่ได้ควนครับควนวันนี้ผมไม่ได้ควนวันนี้ผมไม่ได้วนมึงไม่ได้ควนวันนี้เมื่อวานนี้มึงประควนวันนี้ผมก็ไม่ได้วนครับ มึงจะสวรพ่อมึงจะควรพ่อผมจะไม่สวรครับพ่อมึงมีควรปู่ ม, มึงกะควรไอเรื่องของมันมันจะกินลูกแกลงเดียวมาหาป่าเนาะอืมนะนมันหาเรื่องจะกินลูกแกลนะทำอย่างงี้มันจะไม่ถูกเพราะอะไรนี่คือไปทางานต้องคนที่มีสติดีขนาดนีน้มันก็ว่าไม่ดีนะทาไมมันจะไปลูกลแกละมาหาป่ามาป่ า, ม, า, ปามันกินลูกแกะ ไม่ควรท่านว่าควรไม่ควรวันนี้มันก็ควรวานนี้วันนี้นะป่าจะยอมใช้เอาผ้ามาในตะวันนี่ในตะวันพ่อมึงตะวนพ่อผมก็ไม่ควรพ่อมึงไม่ควนผมึงจะควรคือมันจะถึงดุกนี่มันเป็นอย่างนี้เอาดีไม่ได้อย่างนี้ก็สุดที่ใส่แล้วพอพระเจ้าเดี๋ยวทำดีก็ได้ดีนั้นมันยังตรงไปตรงมาอยู่ยังคงตอบคงวาอยู่เสมอ ม่ไม่เสื่อมไม่เสียหายไปที่ไหนเลยอันนี้ควรพิจารณาให้มาดีครับไม่ว่าจะจะสูญทอนเลยซึ่งอยู่เป็นปกติสงบนะครับทีนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองให้ความเป็นธรรมแก่ดเด็กพวกเด็กๆทั้งหลายเป็นต้นก็มีความคารวมีความคารวะต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้น ความเปิดน้อนมันจะโผล่มาจากที่ไหนไม่มีมารัอกแต่มันเป็นธรรมอย่างนี้จะรองที่อยามันมาก็ไม่มาความเปิดน้อนถ้าความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นตลอดการสอนเวลานี้แคฉนั้นก็นเหมือนกันกับตัวมื่อแป้งสักงม้อหนึ่งเนาะแป้งหม้อ น, นี่มันอร่อยทำไมใครเป็นคนทำใครเป็นเมื้อตัวเมื้อตัวขนาดเนื้อตัวที่ไม่ฉลาดถามไป ก็เมตัวนั้นรู้จักสลาดเป็นผู้สลาดรู้จัดจัดส่วนอาหารที่จะใส่ในแกงกลุกแกงนั้นอร่อยไม่เช่เมตัวผู้ที่ในสลาดเป็นเมตัวที่สลัดตรงนั้นเป็นต้น อ, อาศัยสิงสยาาส่งทัต่างๆอาศัยสิ่งผสมกันต่างๆได้จัดส่วนแกงนั้นเพราะอะไรแกง ท, รงที่มันอร่อยเพราะอะไรเพราะเมตัวสลาดจัดสิ่งโน้นหว่างจัดสิ่งนี้วั่นผสมกันเท่ารู้จักประมานแกงนั้นก็อรอ ใ้การอร่อยนั่นก็เพราะด้วยความสามัคคีของมนุษย์เราในหลายคนมารวมเข้ากันเฉีนทน้นมีความสามัคคีเกิดขึ้นความสงบนั่นเฉีนทน้นก็มันรสความเฉียนที่มันอร่อยนั่นเองมันช่เย็นใจทั้งนั้นดังนั้นมันต้องอาศัยการสึ่งที่มันสามัคคีกันถูกจัดจวนมันก็ต้องเกิดประโยชน์เกิดความถนัดถึงแม้ว่าพวกเราท่านทางดายนี้ จะเป็นกระโทนสูงจะเป็นผู้มีความรู้มากความรู้น้อยอะไรก็ตามเถอะนะถ้ามามีความสามัคคีกันด้วยความคารพเป็นทรแล้วการ ง, งานอันนั้นมันจะเริญขื่นนะไม่ใช่อยู่ตามฐานะของคนการทำ ด, มดีมันดีมั่นกันทุกทุกคนไม่ใช่ว่ามันในร้าอันนี้เป็นส่วนความดีนี่แหละมันจะเหมอกันทำความชั่วมันก็จชั่วจะเหมอกัน ทำความดีนี่มันก็จะดีเสมอกันทางนั้นดังนั้นจะไปขึ้นจกใจเลยให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้ยังอยู่ธรรมะข้อนี้ยังมีเสียง น, นี่มันเติมไปเพราะคนไม่เติมไปเพราะธรรมะเพราะเป็นคนไม่รู้จักการปฏิพัติเพราะเป็นคนไมีรู้จักการปฏิบัติเกิดขึ้นมาเพราะราคะเพราะโทสะ พระโมหะนี่เป็นมูลฐานบำรุงสนับสนุนดวงจิตใจมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆกันอย่างนั้นเป็นต้นความสามัชคีจึงแตกเมื่อความสามัชคีแตกเป็นต้นในความไม่อดเด็ดอร่อยเป็นต้นมันพรวิ่งธรรมาตันทีในความเดียดต้อนทั้งหลายพรวิ่งธรรมาตันทีความสงบมันก็ออกไปมันจเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น มันมีเวลาที่มันจะเสื่อมถุนไปที่ไหนยึดแต่มนุษย์บุคคลเรามันเสื่อมจากธรรมะธรรมะมันยังคงที่อยู่ไม่ใช่ไปที่ไหนธรรมะนั่นคือมันเป็นกัจจธรรมกัจจธรรมนั่นคือมีส่วนที่ถูกต้องส่วนที่ไม่ถูกต้องมาป่าฝนในบ้างธรรมะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเช่นนั้นท่านจึงเรียกว่าสว่าหาตัวะัจจาวาตาธรรม ทำอันสัพูุมีสภาพของนาจัดไม่ดีแล้วเจนต้นไอ้สิ่งที่พระองค์นาจัดไม่มันดีอย่างนั้นไม่มีสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นมันะม่ำเสมอมาจากแต่ต้นจนปลายเลยเจนต้นไม่มีเฮือไม่มีกั้นไม่มียาวตลอดกาลตลอดเวลาอั่ง น, นั้นแบ่งผลการกระทำให้มนุษย์กะชังหลายเจนต้นเอิดผิในใจทุกส่วนอย่งนั้นนอกจากาคนผู้เห็นผิดก็แล้ว ดังนั้นถึงเมื่อแบบพวกจาวฟุตดาวทั้งหลายจะทำการงานสหนือไหนอะไรก็ตามทีเถอะให้มันตรงไปตรงมาเฉพาะธรรมะที่ว่าทำดีนั่ น, น, น, นในดีนั่นก็เพียงเพื่อเฉพาะคนในความดีข้างในมันไม่อยู่เช่นตะก้อนน้ำตาลต้อนนี้เอามาที่ปูเกันทะี่หนาคนจักร้อยคนให้ไม่หวานแบบนี้คนนั้นก็ว่ไม่หวานคนนี้ก็ไม่ไมหวานอย่างนี้เป็นต้น มันก็ไม่ห้ามหวานมันตาลมันไม่ได้ครับกมันตาลก็หวานอย่างนั้นนี่ยมันจะบุีคนเฉือนคนหรือว่ามันเรี่ยวเนี่ตาลมันก็มีเรี่ยวแต่ความดีมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นไม่มีเรื่องผี่เสียหายทางไหนบางนั้นบางคนก็เสียอกเสียใจนะมีทําดีก็ไม่ใส่ใจดีอะไรทางไายเหล่านี้มันเป็นเพราะเหมือนเราเป็นต้นมันขาดจัดธรรมะมันไม่มีความเห็นทอบด้วยฉะนั้นพ่อแม่กับลูก ต้นๆนะมันก็ยังแข่งแย่งกันเลยแต่ว่าแต่ไม่ขาดความเคารพไม่จะพูดไปถึงไหนเนาะอาจารมาก็เหมือนกันอาจารมา ก, ก็ไม่ช อ, อ, อบก็พอกขาไม่ได้หรอกเพราะอาจารมาขี้เกียจเมื่อโตขึ้นมาอตอนชาติทํา ง, งานนู้นเหมือนเราทำงานนี่ไม่อยากจะไปสี้เสียจอยากจะไปดูหนังอยากจะไปเริ่นตอนเย็นก็บอก ตอนข้าวกระวอกมั้ก็ะดมคานกระติกเกียรติยังงันไม่ตอบข้อแม่เลยเปินต้นอันนั้นคือเด็กมันยังโง่อยู่ในรู้เรื่องเปินต้น